เป็นข้อต้องทำนะถ้าไม่ทำไม่ได้ไม่ใช่แบบนีน้มันเป็นข้อที่ต้องมาเราเราได้ระเบียบหลักการเรือนี้นมาแล้วก็มอฝึกกันฝึกเราก็ได้อะไรได้ทั้งพฤติกรรมได้ทั้งสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมาได้ความสุขก็ได้ได้ปัญญาด้วยถามว่ามันดีก็เวลาเวลาเราอยู่อยู่กับบคุคคลทั่วไปถ้าถามว่า ทำไมเราต้องจ่ายภาษีถ้าเงินภาษีเข้ามาให้ใครก็มาดูแลประชาชนจริงๆก็คือก็คุณก็มาให้ฉันเนี่ยฉันก็ให้คุณนั่นเองแต่มันไปผ่านข้างบนมามาอีกทีหนึ่งคุณก็มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะหลักการก็คือการเอื้ อ, อทอนต่อกันนั่นเองแต่นี่คุณไม่ทำตรงนี้แท้คุณก็เลยให้คนอื่นให้ข้างบนเข้ามา มาเอามาทำถนนน้นทางบ้างมาดูเรื่องแรดูแลสุขภาพบ้างสวัสดิการคนแก่บ้า ง, าางมันก็อีกเกือก้อคูนมันก็เงินของเรานี่แหละมันเกื้อคูนกักกกกนแต่เราไปให้กฎหมายมันเป็นตัวกระจายอันนี้ไม่เลยหลักการในพุทธศาสนาทาโดยตรงเลยไม่ใช่ฝึกตัวเองเกินที่มองเห็นไหมหนึ่งฝึกพฤติกรรมสองฝึก จ, จิตใจสามฝึกปัญญาให้นฉลาดมากขึ้นหลักการก็อย่างนี้พอมองเห็นไห แท้จริงก็คือหลักการเกื้อกูลกันอะไรสังคมคุณก็เกื้อกูลกันไม่ใช่ไม่เกื้อกูลแต่มันเกื้อกูลกันอีกแบบหนึ่งมันเกื้อกูลแบบทำอ้อมไปคุณก็มองไม่เห็นแท้จริงคุณก็จ่ายภาษีภาษีก็มาเลี้ยงคนแก่คนชราคนแก่คนชราคือพ่อแม่ปู้ตายญาตายกับเพื่อนมนุษยชาติของคุณใช่ไหม่๊ะต้อบอกอย่างนี้ทจริงๆคุณก็ทําแต่คุณทําแบบเนี้ยใจมันไม่ได้ของเรามันได้คุณต้องไปประครอบประมงต้องไปลงมือทํา ต้องไปอาบน้าไม่ท่านต้องไปเช็ดต้องไปดูแลต้องไปฝึกเลยต้องไม่หน้านหนียวคิ้วขมวดทําด้วยความเต็มใจทํำด้วยความสุขใจมันได้ฝุดตัวเองเต็มที่ต้องบอกฝลังมันอย่างนั้มันจะเข้าใจนี่เราไม่บอกเนี่ยเมื่อเราไม่ถึงข้อมูลมไงทำไมเราฟังเขาเออเออหน้า จ, จริงว่าไปเขาไปเลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะชัดเลยอ๋อเป็นอย่างนี้ในสังคมทุกสังคมเนี่ยต้องการจเกือ้อกูลกันทั้งนั้นอื่ไหม เหมือนใ น, นทุกวันนี้พอมีระบบขึ้นมาเช่นระบบเงินตาเนี่ยเอามามาแลกเปลี่ยนกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นเราก็ไม่ได้เข้าแท้จริงอย่างว่าแต่ก่อนก็มีนะเอาไปแลกกับไอก้กระเป๋าเอากระเป๋ามาแลกกับแว่นอะไรเงี้แต่ก่อนก็ใช้ระบบจีทูจีใช่ไห ม, <c oughs> มระบบแลกคอนนี้แต่มาทุกทุกวันนี้ก็เอาตัวอัตราเงินตาไปตัวผ่านมันก็ไปกันใหญ่เลย <c oughs> หลักการมันอย่างนี้ยก็บอกให้้องเข้าใจว่าโอ้จริงๆพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนนี่มันเป็นหน้าที่แล้มนุษย์อยู่ด้วยกันม่นต้องฝึกแล้วลองบอกจริงๆนะเช่นแม่พึ่งปฏิบัติต่อลูกลูกพึ่งปฏิบัติต่อพ่อแม่สามีปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาปฏิบัติต่อสามีเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนเจ้านายปฏิบัติต่อลูกน้องลูกน้องปฏิบัติต่อเจ้านายเราปฏิบัติต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ปฏิบัติต่อเรา หลักการมีการเชื่อมโยงยึกโยงกันหมดเลยหลักการปฏิบัติแต่ตรงเนี้ทั้งลักษณะตรงนี้แต่บางคนไม่ปฏิบัติแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างว่าเราจะไม่ปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่มีโอกาสสู่ตัวเองแทนที่เขาจะพัฒนาจริยสู่คุณธรรมสู่ธรรมะสู่จริยธรรมที่ดีงามพัฒนาสู่คุณธรรมยิ่งยิ่งยิ่งไปเขาก็ไม่ได้ก็เรื่องของเขาแต่ถ้าใครทําก็เป็นประโยชน์เป็นความดีเป็นคนีมันไม่ใช่ความเสียเปรียบหรือไม่คุณเข้าใจ เพรายัางไงยังไงคนระบบสังคมคุณก็ถูกเจ็บเงนินอะไรคุณต้องเข้ามากระจายความรักกันความสามัคคีกันความเอื้ อ, อทอนต่อการมันหายไปแล้วผมว่าคุณคุณก็อยู่กันอย่างสังคมอุเบกขาตัวกันดึงก็ใครเจ็บเห็ น, นไหมสังคมอุเบกขามันหนักไปทางด้านอุเบกขาเอาสังคมกฎกติกา ร, ระบบลอยิบเห่นไหมระบบกฎเกณฑ์กติกาเอามาใช้กันคนก็อยู่กันอยภ า, าวะความเครียด ใครทำผิดกติกาก็โดนลงโทษเดนคุ้อยู่กันแบบเนี้ก็ยก <c oughs> สังคมอุเบกขาแต่บ้านเรามันเป็นสังคมเมตตาดูมันไปไม่ถึงอุเบกขาแท้จริงมันก็เสียทังคู่ของเรามันดีอย่างการที่เอะไรก็ให้เราไปก็ <c oughs> ดีต่อการอะกรต่างไปไปมาก็เลยการไปไม่ถึงอุเบกขาอีกกฎกติกาเขใช้แต่ไม่เคยได้ <c oughs> นี่เรากําลังจะพัฒนาไปสู่สังคมอุเบกขาแต่เรามาทิ้งเมตตาดูนะแล้วก็เสีย หนงอุเบกขาก็ไปไม่ถึงสองทิ้งอุเบกขาเมตตาตระนานักเข้านเข้าเลยไม่มีอะไรเลยทีนี้เนี่ยเราพยายามจะพัฒนาให้เป็นหนึง่งซึ่งตรงมรีกันก็ไปไม่ถึงใชห่หนึ่งไม่รักษาสิ่งดีๆของเราไว้สองพยายามจะไปให้ถึงของเขาก็ไปมไม่ถึ ง, ถงนักเข้าน่กเข้าเลยเฟ้งฟางตรงนี้กลายเป็นสังคมไร้รูปแบบเนี่ยตรงเนี้ยเราก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเป็นหนึ่ง เรื่องใหญพอมมองเห็นนย่างถึงก็ไห น, นเวลาเจอเพื่อนรเรเาไม่ได้เข้าใจอ๋อันผไในหลักการในทางพุทธศาสนานไอี้วงั้นทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่แต่เราจะเข้าถึงพราะเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้เราเลยไม่ได้เข้าถึง อ, อถ้าไปพอข้อมูลไม่ถึงเขาก็หลังเขาก็ูง ถ้าเราไปบอกเขาก็จะโอ้หูก็เห็นทำไมต้องคนไทยไม่ใช่กันของเราตอนนี้ก็ล้าเลยลนนเราไปอยู่นี่